นี่มีความพอใจเด้ฉันทะเมื่อไม่ีความพอใจแล้วพนาศัพท์ทามันเกิดเกิดแล้วมันสิถนอมกับสิ่งเหล่านั้นสิบประคับประคองพนาความเพียรควมเพียรประคับประคองกับสิ่งที่จะของ็ที่จะของทําเมื่อมีความเพียรเกิดขึ้นเกิดขึ้นควมเพียรแก้ก้าดพนาคิดก็เลยอยู่กับอันนั้นบอกไปไสอยู่กับการเดินจงกรมเมื่อคิดอยู่คนแล้วปัญญามันสิเกิด ตึกกลองในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วโอ้กูเคยกินมากโอ้กูเคยสูบยาโอ้กูเคยหาใเคยสูดมันบมดีตัวนี่พี่ได้มันยังศิละได้มันนอนอาศัยถ้ำพี่เด้การปฏิบัติสคยได้มันนอนศิลาได้ยังไงนี่วายกัยานี่ยเขทิ่มก็ได้ลต่คนมันมันบ่ได้เลยเขาทิ่มแล้วมันก็อยากแค่นั้นวะที่ขันหน้าปฏิบัติถ้ำแล้วมันสะเห็นเองสันปัญญามันจะเกิด ขอให้รักักในการปฏิบัติครัเมื่อลักแล้วมันสิมีการประกอบในสิ่งนั้นคือเอาใจใส่เพียรในสิ่งนั้นเมื่อเพียรแล้วจิตเท่าก็อยู่กต้นนั้นแล้วเมื่อคิดก็ต้นนั่นก็ตั้งมันแล้วมันก็ปัญญามันจะเกิดตึกตองหาเหตุผลอยู่ตลอดเห็นตลอดสิ่งไหมันดีสิ่งไหมันบมดีมันสิตเรียกเฟ้นเราเองมันมาเนี่ป NO ัญญามันโตเลี่ยบเลยปัญญามันเรียกเฟ็นเราเองอันนี้โมดีมันเอาถิมอันนี้บมดีมนเอาถิมมันหลู่เลย ลู่ดีลู่ชั่วถึงแล้วลู่จะเกลียกเวลาตึกตรองลู่จะเกลียกลู่จะเผ่นลู่จะคบพ้นน่าจะลู่นาทีไปเมื่อถึงแล้วเพื่อนต้องเน้นให้ปฏิบัติไงให cleanse, ้รับปฏิบัติให้พ่อใจในการปฏ mm. ิบัติแม่นพ่อใจในการคุยแม่นพ่อใจในการกินแม่นพ่อใจในการไปเที่ยวไปปฏิบัติกับพ่อใจในการปฏิบัติแม่นพ่อมาบีปัจฉนา ท่องเที่ยวเข้าัหมท่นการนั่งบัตรเพชรปฏิบัติการตั้งใจปฏิบัติเลิกงานแล้วถึงไปเที่ยวนี่เด็กเขาจะไงใส่ใจบ้านนั่นตัวตั้งใจบ้นนั่นแล้วยังสิได้เพราะมันเลาะเละแหละแหละเอ็ดละล้อยแหลวมันก็ได้ไปละลอยแหละเนี่ยิดปีเส้าปีก็คือเก่าเป็นผ้าอจานิม่อนเปิดมาในสิบกว่าปีแล้ว กตีกคือเกาอยู่กับก บ, บุเป็นฐาเนาะไก่้มันไม่ไหมเนาะเปลี่ยนไม่กูเลยเคยเห็ดอันหดบูดีมาง่ามกับรถกะละไอ้นี่โปรเซ็นต์ขึ้นมากถึงตัวไอ้มีเปปรเซ็นต์นนนขึ้นมากเราเคยอันใดกับคือเกาอยู่กับมีพ น, นาวิปัสนาบอก้าวหนาแต่เราปีเราบีเก็ตมือเมื่อหน่อยได้หกมือหนิคันเขาตั้งแกเอาได้ดีหรือม่อหน่อยเอาล่องเนี่ยมือหดเลยอันใดมันดีบวหูวบวมีดเลย โอ้ยปีหนึ่งอะเจ็ดมือมันมาเป็นเจ็ดมือเด้แล้วนี่ก็จะไปทั้งอื่นอีกคันปูขยันคันปูมีงินมีท่องคารุคาร่างานใสใส่งานของหลวงปู่เฮานี่ว่ามันในหน่อยด้ยี่สิบสามสิบตัวงานเลยนะเอ้ว่ามันจะเจ็ดมือแค่ไหนไหมบางคนไปจนงานแางวกว่าแล้วราเขาตรวจตาดูจะขอางว่มันได้อีหยัง สิ่งไห น, ม, นมันเพิ่มขึ้นมาบ่าสติเขามันหลายบ่สิ่งไหนการตรวจตาดูก่ออยากตรวจที่จิตใจของเขาเอ้ยเคยหาย่างเคยศูนเคยกระทบกระทั่นมันเหมือ น, นบอลลต์ปลาตัวนี่แต่แสดงว่าเปรดเท็จมามีคำนมันรถมันละและก็เบื้องกจจะของโอ้แต่เก่าเคยห่ายเคยศูนย์เคยจมเคยอ ย, ยู่กับคนคิดยุ่งยิงเอ้บันนี้มันไม่ออกกับตัวนี่ไม่ออกแล้วดีเดอร์ตัวนี่ กระไดใจขึ้นจิตใจดีขึ้นนั่นแหละพนัก ต, ตัวเส้นมันขึ้นสอบเอาจะของไหบมัคือเขาเป็นสอบบัญหาหนักร่ำไลยตัว น, นั้นมันต้องไอพื้นเอาให้แต่ว่ารับปฏิบัติเข้าสอบเข้าเองเข้าให้คะแนนเขาเองตรวจตาดู เ, เองอแต่ละปีละปีเข้าไปเข้าได้อย่างจิตใจเข้ามันดีขึนบล์หรือมันบดีขึ้นนั่นแหละนี่คือตอบบัญชีเอาจะของตรวจเอาจะของเทดเอาจะของ ให้คะแนนจะของพอเพราะว่าให้คูบาอาจารย์ให้คะแนนเบินจะของเอรอนี่แหละไม่ไมยังกิเทืองตัวอ่ะการมาเปร็นปฏิบัติธรรมนะสมัยกอ่อนหนูแอบเฮ็ดตัวอตาตมาเดินยิ่งกลุ่มแอบเพ็ดแอบทำคูบาอาจารย์ยังไปหานลี่ครับย่านพันไปถามพอเท่าสมมติหนูโอ้ยคูบาอาจารย์มามีเนะหดหูแหงเฮี่ยวนี่มามีกําลังใจดอก หลวงพ่ออยู่ใกล้อาจารย์ก็อยู่ใกล้ว่นนี้กำลังใจแล้วนะก็แนนอยู่แต่บ่เขียงเพราะว่าเข้ากับอาศัยคูบ้าอาจารย์นั่นแหะแต่ว่ากันเข้าบ่มอาศัยพันหลายเนี่มันก็บ่ดีเลยบ่ดียังลูกห้องขึ้นกันหลานห้องขึ้นกันกานตามใจมันไหลมันเสียต่อเสียแท้แท้ย่างมันไหลบ่ดีก็ว่าดีมันโมเก่งว่ามันเก่งเราไปมากเฮ็ดแดงบ่เป็นไม่ได้ความย่อง ย่องลายสายย่องขาดก็มีบางครั้งบางค้าวเขาต้องเป็นตัวของตัวในการปฏิบัติธรรมมหาเจ้าคู่บาจันมหาเจ้ลงคอลงปูหรอกการเดินจกรมการสั่งจังหวะเาก็หูจะพีที่แล้วเฮ็ดโหลดท่ำโหลดพอต้องหาเจ้าพนไปเด็กพนไปก็ดีเขาก็บวารพนพนไ่ไปเขาก็เฮ็ดโหลดท่ำโหลดเทสต้ไปทำลงไปสมัยก่อนนอนสั่นแอรเพ็ดแอรทำปลาใหม่มันหกเฮงรีเฮ็ดเดินจกรมนี่ทุมทมทมทมทม มันห่อนกีมันห่อนกว่ามก็่มี่ห่อนไหลผามหน้ามมามันห่วงนอนไหลผามหน้ามจุ่มน้ามพูดต้งไปว่าต้องปั้นหัวมันแล้วปอกหัวลดไปปอกหัวแล้วมันกับผาบน้าฝนเท่านี้มันก็บหน่อยไปน้ำทางมันโอ้ยดีเปนอย่างคนตกไปพร้อมไปน้ำทังจงมกลมคนแล้วสะสะส ะ, สะคนแล้ว เพชรต้นนั่นนี่นะเมื่อวันว่าเจอหาเจอมูที่พวกแอบเพชรแอบทำแอบปฏิบัติบ่ถามพันแล้วก็ให้ยานพันมาถามให้เรียบคออย่างนี้ปฏิบัติทำทางก่อนพ้นมาบอกแล้ว่าลูกเปเดินสันน้ำเป็นหนึ่งสี่บ่าวเลมีแต่ทำให้ท่านพ่อดูสึกตัวให้เดินจมกลมได้หลายให้ปฏิบัติได้หลายมันว่างนอนก็หาวิธีแก่พันบอกเพ่นบอกไม่กี้จุดหนึงสี่ดอก อยกขึ้นอีกขึ้นลูกพันกระ บ, บาวาได้ลยพวกว่ายกอีกขึอ น, น้ําันกระบาวาบ์บอกมี่ให้เดินจมกลมให้ท่าคมรู้สึกตัวเด้ออาจเอาเห็ดเอาไผเอามันไปสับไป ต, ามมาตําเอดไปตำเอาเส้นเอาเลยหระการประเดี๋ยวท่านสมัยก่อนไปตำเอาจึงเพอะเส้นเอาจึงหู่จักเลยไม่เป็นว่าถึงมาบอกกันการบอกการกล่าวเนี่ยก็เป็นพิธีเป็นแผนผังซื้อ มันก็ใส่ยาเนะนี่ยนะเขาบอกวิที่ซาโปคุนซื้อๆเขาบอกซื้อๆบางทีเรากินมาหายก็มีโลกเนี่ยเมีนสั่นไหมเข้าต้องไปส้นเอาไปตันเอาเฮ็ดเอาเสนวนผลง้านของเจ้าของเนาะว่าใจก็มีใจก็มิครอบเนี่ยไปที่เขาบอกแล้วยางเอาส้นเขาไม่กวนเขาบอกคนนี้โบ ก, กี้จุดปานี่สัมเฮ็ดเอาไปเอามันทําไปโอ้เฮ็ดไปเฮ็ดมน้ามันหลักเนีย หลักการหลักงานขึ้นกันหลักในการปฏิบัติหลักในการเดินจมกลมกินข้าวข้าว่ากินคิดทอดหม่องยางทางเดินจมกลมเรียมม่องเลยสมัยก่อนเรียมม่องอะรเบ่อเรียมยังไงกันมันไงเนี่ยน้ามังหดแก้ววนจุ่นี่ว่าปฏิว่าหลวงพ่อห้วดน้ามังมันนรอสมัยก่อนมันน้อยปีนี่มันลายกันอยู่ต้องขอตัสิญาติคูกันอยู่ยงอยู่แลมันี้ ให้คอยดก้อนนี่ยแต่ว่ารบายพอจะดก้อนพอว่ายุงอยู่ดิทำไมก้อนมันหน่อยมันบาหลผ่านนเ่าบบหไรยังส่อบเริ่มกับลุงปูไปกับโบ๊ที่ลูกด้วยยิบลูกก็บวไรแล้วยี้สิบลูกสามสิบลูกก็บวายแล้วสมัยก้อนเนี่ยนี่แล้วก็เลยโอ้ยสนุกงานกินขอนี่นอนหลับล้วในเห็นมองแค่เดินนกขมมองมองมองมองขีเหลี่ยมยิ่งเล่าเกิดเป็หลังผู้คง ปีสองวัยี่สิบบ่ยี่สิบสี่กับยี่สิห้าถึงเปหลังผู่ข้องมันไปอบรมเป็นเดือนมาได้ท่านเดิ น, นยังควรมีแหม่มองแล้วบ่นไไหนีไปใช่ไหบ่ายหม่องผลตกเอาไวนั่นน่ะแนวอกเอาอวนั่นน่ะไตเทียนเดินบ่แหี่มมองเ น, นี่ยล่ะปานั่นตัวเก่งบ่ บ, บ่เก่งว่ไหนดอกกระซำนีหละ ไม่เคยเจ่งหนอกแต่ว่าขั้นก่อนไปเดินสั่นตั้งใจปฏิบัติเฮ็ดเอาอักเอาแอบเอาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมามันหูซึกหูแม่เข่าซึกแมก่เข่ามั น, นไม่ฉีกขานเล้พอมีวิปปี้ใจหลักเดยมันเพียนเรื่อยเฮ็ดเรื่อยท่ำเรล ย, ลยโอ้ดีใจหลายาใจจดจอเรื่อยอันนี้คือหน้าพิศหน้าเห็นลูกควมคิดรับออกไปโอ้มันออกแลตัวนี้บวมมันออกมันหูเองมันตัดออกไปเองมัน โง่ก็มายู่เก็โตลูกมวนเด็ก็โตลูกรู้แล้วเห็นแล้วรู้แล้วนาะเห็นแล้วเนาอสมภะอัญญาขวัญทันยาน่ะรู้แล้วเห็นแล้วดูแลเห็นแล้วนี่แหละเจ้าทุกข์จะเจาะพนะโอ้พระอัญญาหูแล้วท่านอัญญาควัญทันญะขวทันญะหูแล้วท่านมาอัญญาสีอัญญาสีหูแล้วเห็นแล้วนี่เพิ่นอุท่านเนี่ยเพราะเพิ่นหันมานี หันมาท้ำดูกายดูคิดนี่ว่ามันดูนางอืนน่นไหมว่ามันดูนางฟั่งเพ่งมันดูผู้อื่นดูเจ้าของดูการกระท่ำกรรมฐานไปประการกระท่ำของเจ้าของก็จึงมันจึงไม่พ่อจึงไปเห็นเนาะปฏิบัติไปปฏิบัติไปคิดใจห้องสีดีขื่นดีขื่นดีขื่นดีขึ้นค่วมง่วงกับสีหน้อยโล่งหน้อยโล่งหน่อยโล่งมั่วมง่วงหน่อยโล่งหน่อห้องกับวสีมีโอกาสได้บัณฑิต เพราะเาชนะมันแล้วชนะค ง, ง่วงแล้วใคมันนักใคมันนักต่อสูนักมวยแบบ เ, เขาก็อ่อนกำลังแล้วเขาเรียกโชครอบนี้ตี้มตามมืก็ไดรใส่แอ่ข้างมื่อ่เข้าทุงท่งก็ก็ไเดกมอยย่านมานี่ยใครมันอ่อนแล้วเขาห่แล้วว่ามันไ ม, ม่ผิดปี่สงมันอ่อนกำลังแล้วพูดต่อสูได้โ อ, โอกาสนี่แหละขั้นเราจนพแห้งตวขันเราจะน อ, อนอเอลีล่เนี่ สำคันสมพักเสียนนะเนาะอันวะสมัยก่อนพันขันสมพักเสียนสมพกาศคขันแล้วกินพอดีเป็นสมข้ามือขันแล้วอ่อนในสวยว่าตากเดียดหินก็มันลดห้ามสั่นตัข่นหานเงียงหางไปอย่างมันปวดตรงไหนก็มือเงียงไปอย่างเงียงแจ่มอย่าง้อมกระดิตัวิายเสพื้นมะไผ่ใจะของกดตัวแจ่มนี่เ มึงกปวดก็นักหนก่นจับมันกันตัวหูนันสีแท่งไอ้พวกอะไรไม่ออกหูจะคล้องแท่งไอ้พวกอะไรกระดึงมึงได้ไหมอย่างดึงมันขาดด้วยเทมันไม่อย่างมันก็ปวดขาของนั่นแท่งไอ้พวกอะไรยางแท่งไห้พอกออกยางแค่หนึ่งทีเมื่อจะคล้องนั้นไม่อย่างมันเจ็บบีบว่าจะคล้องข้นหานอะไรไม่อย่างตมันง่วงนอนหายไม่หูซื้อขมีอนตัวบีบมันก็ได้ยิกมันก็ได้ ไอ้มันตื่นขึ้นมาอันตัวเส้นของมนุษย์เทไมันอาศัยความตื่นอยู่ตลอดเลยขันเส้นรับมันก็มันเส้นมาทางานมันกับซ้ามันก็ขาดมันกับเมยมันกับศเศร้าเห็นปะตัวสตินี่นะที่มาปลุกเลสติห้องปุกขึ้นปุกขึ้นเฮ็ดขันมันง่วงแล้วก็เฮ็ดแห้งๆกำกัปั้นเคาะี่สิกระตุ้นเคาะคลายจของขันหูนยอนหูพระพุทธเจ้าสอนอุบายแก่ง่วงให้กระพมกข้าาน่ะ หมคาลาเธอง่วงถ้า เ, เธอว่าให้เธอย อ, อนหูทั้งสองข้างนี่หัวห้องลย้อนรองทั้งสองข้างเขาไม่ย้อนหูกำไมถึงดึงหูฉันไปดึงมื่อย อ, อนไม่หูมันกระกินยู่นั่นเ น, นี่นยให้ไปนย้อนหูทั้งสองข้างย้อนหูมาถึงจะดึงหูดึงหูร้องมาดึงห้องเลยนี่แสดนควาไมไป็นยีนั่เรี้ด ย, ยดยคู่ดึงหูในบูู๊๊คือดึงหูร่องอะะ หัวฟงหัว่างกันแล้วนะหัวขื่กนก็พูดแล้วนะดึงขึ้ น, นยืดขาหน้าคนแล้วลงก็นงนะลงมันจะได้นั่งลงคนนี่แหะคู่คนดึงหูหูขึ้นหูลงห้าก็ดึงถนัดพันย้อนหูให้ย้อนหูทั้งสองข้างแก้ง่วงกุนระบายทุกคนมันบอก ข, อ ข, อขามกขลานะขันมั้นมาหายง่วงก็เดินจมกมกลับไปกลับมาพิจารณากายเป็นกลก็ตาสติ กำนดลูกการไปการมาการเคลื่อนการไว้กันมันมาหายเัื่อไงฮะตั้งไร้ขอบเกดแปดขอบพระโมคคัลนาปฏิบัติตามโอวาตของพระศาสดาไปบําเพ็ญเพียรอยู่บ้านกันละว่าละมดตะขามผลอยู่เมืองอินเดียเย็ดมือนแล้วมนเย็ดมือมือแปดตอนก็ได้เป็นพระอรหันต์สำเร็จเพื่อนะเก่งปะ หมดเท่านี้จปีแล้วที่คนในนั้นเป็นพระอรหันต์จนที่ตายถิมเนาะตายไปเราก็มีพาเข้าก็ดีย่อมก็ดีนั่นค้นขงังกรการเก่งเติบเลยควรยกย่องเลยควนบูชาเลยยัง พ, พุทธเจ้าของในเก่งเติบเลยมันเท่าธรรมาดาะาว่าคนูมินควรนกล่าบไหวควนควรปฏิบัติตามคำสอนของคน พูด ม, มันธรรมดาเลยพาเน้นเข้าไปกันค้นปฏิบัติ ต, ตามโอวาตของพระศาสดาตามพระธรรมตามพระวินัยล้วคิดใจเข้ามันดิดีปลอดโปร่งขึ้นการเจริญสติเข้าไปกันเนีวยต้องหาอุบายแก่มันต่อมันง่วงหาแนวแก่จะให้จะ่คุบปาอาจารย์เป็นไรจะให้ที่หลวงพ่อไปจาดภวพิเวนีนะวโหนอบอกวพิเวกโลกก็เล็บ บถหวงพ อ, อยางไม่หานเกกรากะโลกก็ะเล็กทั้งทางยางงอกรังเงียบรักษาทนนั่งลงหาหว า, ากว่ารับค่าอากาศก็มนี้รับกางอากาศก็มนี้คือบะลมแล้วล่ละนั่งเกาอีกแกล้วยังควรต่อแ <laughs> บบก้ไว้แบบหวงพ่อไปจัดเราคนนึโอ้มันง่วงหลว ง, งพอ่นนอนะเราคนยางกายเลยกะง่วงต่อยมุดตะเบ็ดง่วงก็ดี มันจิเป็นอย่างเห็นป่ะฉะนั้นทห้เราต้องเอาใจใส่ผูกญาดผูกโยมพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าขึ้กันหลวงพ่อหลวงพี่เาหลวงปู่เข้าขึ้กันปฏิบัติธรรมเป็นโมย่าตโมโยมเม้นเมาเป็นพระข้าเป็นพระยังไงก็ได้แม่นเลยคุณก็ได้เลยการปฏิบัติธรรมการเจริญสติบ่เดือดขึ้นอยู่กับรูปแบบบางคนนตะเป็นพระเป็นนักบวชรือสึกว่ามันนักบวช เป็นชนชาติใดก็สร้างคันว่าปฏิบัติกับบุหูคันปฏิบัติกับลูกเนี่ยขัามแนของบริเจ้าเป็นเป็นสาธาสนาท่านคือวาสามคนบริเรี่ยบบริว่าเจ้ามันเป็นคนไถ่ปฏิบัติอะไรต่อเจ้าเป็นคนเขมรปฏิบัติอะไรบแมันได้คือกันเมื่อลูกขึ้กันเมื่อสภาวะของกายในกิจมีขึ้นกัน กลังตากแดดมันก็หอนบอกินนพริกมันก็นกนนกนกเผ็ดเสียใจมันกันหนางอ๋ห้องให้ขึ้กันมีควอมเสียใจมีควอมบ่ดีใจมีอารมณ์เพื่อนกับเขาเมนผู้ไรสิบอมีเนี่ยเขเห็นพลงังให้บอให้ได้ขึ้นกันเเห็นแขกหห้บอให้ได้ขึ้นกันเขาขากันยิ่บอบอชนชาติได้กระสัง เกิดแ ก, แ ก, ก, เกด่เก็บไต่ขึ้นกันเนี่ยโมมีว่าสิโมเกิดโมแก่โมเก็บโมไต่โมมีว่าสิบมเกียรติโมศูนมี่ขึ้กันเมืสภาพว่าตัวนี้นะพลานาสัจจะทำจึงว่าเรียกเป็นของขึ้กันธรรมะคำสอนของพลเรี่ยวของขึ้นกันรู้แล้วเป็นอันเดียวกันขึ้นกันรู้แล้วก็ บ, บรมีทุกตัวแรกก็สบาย เละล่ะหาไดเป็นพระอรหันต์เนาะเป็นคนธรรมดาเลยนะให้หูจักนาที่เหตุการณ์เหตุงานบวชุบบวสุกมีขอบมีขัวบวชุบบวสศกอยู่กบูบกับลานอยู่บวชุบบวสุกกาลาเนี่ยหูจักนาที่ก็พ่อดอกนี่พุทธศาสนาเขาเมุ่งไปมองนี้เด้เมื่อนมุ่งมองอื่นมุ่งที่ก็ไปว่าให้คนเท่าเนี่ยบันเท่าทุก ให้พ้นจากความทุกข์สัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแ ย, ยกแยบตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอ่าเวลาหอนตุว๋วไม่มีเวน้นอพยาพา่าปัชชาไม้พยาบาทปลองไหลซึ่งกันและกันอ่าสุขิตาหอนตุ๋วไม่มีความสุข ใ, สในรักษาตนในคนจากโรคไข้ทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงโรคคืออยังโรคคือเจ็บหัว ป, ปวดท้องในโรคทั้งทั้งกาย โลกทั้งจิตเั้งได้บ้า น, นี้ก็คือพูดหลงนั่นแหละโลกทั้งจิตหลงโกรธหลงเกลียดหลงซึ้งหลงพ้อใจหลงโมหลงเสียใจนี่นมันหลงเนี่ยคนยังไงจะเริ่มสติกันควบหลงเจะเริ่มสติก็สัมาชัญญาเนี่กันต่อหลงเมื่อมันเมืม่อหลงมันก็นมีตัวรู้เหมอนตวัวมันรู้แ้วมันก็สบายรู้จักนาที่รู้จักอ่าใช่รู้จักไปรู้จักมา หนูจะแกะไขมันจะค่อยลู่ไปเรื่อยๆลูไล้ไปลู่ไปลู่จนบวมีกทุกจนมันสะอาดที่ห้อล่างถวยหลางซ่อมแล้วที่แรกก็ลา่างเทควันล่างนา้ำเบาๆล่างน้าแผบน้าอ่าสบู่เทควันก็ไว้ล่างนา้ำต่อๆไปอีกจนกลัวมันสะอาดข่มลู่ห้องสันลู่ที่แรกมันก็หายไปบรรเท่าไปลู่สองเที่บสามเที่บสี่เทีท่บไปก็หายเกี่ยงไปเรื่อยทุกข์กับเบาลงเบาลงเบาลง จนหม่ดมีทุกข์แล้วจนหมดทุกข์คนแล้วตัวลูก ม, มันธรรมาดาได้ไม่แค่ตายแต่ยังลูกตัวสติตัวสมชาชัญญาเนี่หลวงปู่เทียนเขาจึงใส่ภาษาอีสานว่าเหงหูเมียภาษาต่างคนอ่ะให้รู้สึกตัวมันเท่าว่าเหงหูเมียหูเมียคิ้งมึงจะคิงวะเราไม่ออกออกมึงจะคิงจะคล้องวะคิงไหมถึงยังมึจะว่าเอา ให้หูแม่ขิงมึงอย่างนัน่ติงิงัเทู่จะซิงมาภาษาทางเไมิ่งึงหมางนี้อย่างเดียวคือเก่งไม่ไม่ใหญ่เานี้ไหให้ยคะแนนเต็มยเนาะขิ่งก็คือร่างกายขิ่งนะให้หูแม่ให้ให้หูแม่ิง ควนไ่ควนให้มาอยู่แล้ว ก, ก็เมื่อกับคิ้งทิ้งไว้ทั้งร่างกายเท่าไหรคือคิ้งเป็นว่าให้ห um ูเ um มียให้ทิ้งคิ่งอ่าให้หูเมียทิ้งเปลี่ยนท่านแล้วเป็นยังว่าให้มีอุบายการเดินจมกรมกด็ดีการสั่งจังวาก็ดีให้ฮ um ูเมียยุ่ตลอดหูยุ่ตลอดเห็นยุ่ตลอดฮูเม um ียกายขรังหนึ่งมันก็เขาสูวใจห่างขึ้นกัน กายเป็นทางฟานมขอไปหาใจเห็นท่างต า, ม, า, า, ง ม, ามันขอไปหายใจได้ยินท่างหูมันขอไปหายใจเลยมันขอไปไหนเล้ว่าขอไปอื่น đấy. เลยเข้าการปฏิบัติท่ามือกันนะเน่ะเข้าฝึกไก่แต่มันขอไปหายใจเลยขอไปฝุ่นเลยนั่นมันเป็นมันซึมสาบตัวมันซึมเข้าไปหน้ามันซึมเข้าไปเข้อไปฝึกกายทํา้วมือฝึกท่างไก่มันขอไปหายใจ เขาไปสูยใจซึมเข้าไปสาบเข้าไปซึมสาบซึมสับซึมสับเข้าไปมันซึมเข้าไปเป็นมาน่ำหน่ำสับบ่อไา้ซึมสาบเข้าไปซูยใจนะคุณแค่นั้นกายเขาจึงสัมผัสสัมผัสแล้วเขาไม่ซูยใจเพราะยังไงฝึกไก่เดินนำคมกับท่างกายเดินท่างไกยเดินใจเป็นตัวลู่สติเป็นตัวฝึกกำหนดเข้าไปลู่เข้าไปกำหนดเข้าไปลู่เข้าไปลู่ไปเรื่อยๆรื่อย มันวันนั้นคือหาบนํารอกงัน่นบ่าควบรู้วันนั้นคือหาบนาว่าหนักยิ่งรู้ก็ยิงย่งเบาไมหรักปฏิบัติแต่ว่ารักปฏิยับนัน่นเรียกงของคนอาสนั ก, ก็ได้อาสิ์เบาก็ได้แต่ว่าลักปฏิบัติเท่านี้รู้ยิง่งรู้ยิ่งเบายิ่งบื่รู้ยิ่งหนักหาใจได้ไหมว่าก็ขออกเข้าขึ้น ยิ่งรู้ยิงย่งเ บ, ยงกก า, งบายิ่งบม่รู้ยิ่งหนักหนักจนตั้งบอยู่หนักจนง่อยบึ้มหนักจนเส่ยแล้วแหละลงไปนี่โมโหได้ทังนี่โมโ ห, ห เ, เ, เ, เ, เดินยันไกเทียานั่งนั่งยันไปก็บรับจันนั่นนี่แสดงว่าโมูหก็แห้งหนักแล้วมันหนักหนักหนักไปหนักขึ้นกุลาบหับนุน่นเละเคยหับนุ่นบ่ แม่นแทบว่าหามนุนหนักไปนานเนี่ยมันเมือยเลยยิ่งเหล่าคนโตข้ามหนึ่งคัดหรอกนุนนุนเปียกแข้งหนักหลายเน่ยว่ชีวิตจิตใจให้องขึ้นกันในหลักปฏิบัติขันปฏิบัติถูกขันปฏิบัติได้ อ, รอารมณ์มันจิเบากายเบากิตบ่านหนักกายบ้นหนักกิตจะเบา ว, วิงวิ่งวิ่งวิ่งนั่นแหละก็นะเบาไปมากคือตัวร้อยคือตัวรอย ไข่ไข่กับว่าห้าวนั่งอยู่มันรอยขื่นพูดขื่นพูดขื่นแต่ที่จริงมันไม่ได้ฟูดอกสภาพวาตมันกับกายมันสัมผัสกันแล้วมันคล่ไข่กับว่าตัวของมันสิเบาหลวงปู่เทียบในเทียบก็โอ้ยตั้งอยู่เทศยบเดี๋ั้งอยู่น้ำนักเพ่น่าน้ำนักว่ายกิโลมันเบาไปเท่าไรแล้วมันขาดไปเท่าไรแล้วน่ะมันลดเลยเ้แล้วตํานักังไปลงไปมันก็เลยคข่ไข่ไข่กับตัวห้าวเบาตัวเบาลนไปเพราะว่าพลังกิดกับพลังกายมันมัน มันผสมกันรวมตัวกันแล้วมันฟูขึ้นนั่นเป็นอาการของของกาะของไก่และของกิดขณะการของไก่ซื่อๆนี่มันสัมผัสซื่อๆนี่สัมผัสเย็นร้อนอนแข็งซื่อๆนี่คันใจมาสัมผัสด้วยมันก็จิฟูขึ้นเป็นอาการเหมือนกับเหาะเหมือนกับรอยเหมือนกับร้อยขึ้นฟูขึ้นอาจจะเป็นได้ในสภาว่ากายกับกิดมันสัมผัสกัน แต่เว่าล่างไก่เขาก็ขับพื้นที่เบิ้งกับเห็นละมังอยู่เตียวผู้สัมผัสได้แทนใครๆก็ว่าร้อยขึ้นนี่กอเป็นอาการหากมันตัวสติเด้เป็นอาการอาการสภาพะที่มันด้เกิดขึ้นเป็นกิเลสยาเป็นอาการของของการกระทําของการรวมใครๆก็โปวงๆเอาพู่พู่คนมันก็ตึงขึ้นึงขึ้นมันสัมผัดได้หนุกปวงมันว่างในลยหนุกปวงมันว่างเมื่อล้มเข้าไปแล้วมันก็ คลองว่าง ก, กับคลองว่างมันสัมผัสกันตึงขึ้นตึงขื่นตึงขื่นตึงขื่นมันก็รอยขึ้นเมื่อได้ที่ก็แตกโป่งแตกก็ไปแต่ถ้าเรายังสี่เขามกระบบตองตกใจมันเป็นเรื่องอาการแต่ว่าเข้ากรบบต้องไปไปติดกับสิ่งเหล่านี้เป็นทางพันซือเป็นอุบายเป็นได้เฉพาะบุคคลบางคนเขาจะบ่เป็นบางคนก็เป็นอี่เท่ามี้มิดก็ได ขันโมทูวันนิมิตเขาอันบ้าเรื่องภาษาบรรทัพอาการเป็นกิริยาอาการของกายกับผิดที่มันผสมมาสานกันมันซึมกันหากันบางคนเดินยังกลมไปได้ที่ได้ที่เนี่ยเดินไปเดินบุ้ไปเนี่เดินไปเดินมานหัวเกิดปิติก็มี่เกิดปิติสาบสาเข้าไปในคิดในใจโว้ยนะอันใดมัติธอเกิดน้าตาไหลห้องไห้ก็มี่ มีพันอาการของกายและกิจที่ประสมสารกันขันตาใดที่กิจจงมามาร่วงก็เป็นไปว่าไรกายก็ถึงง่วงโอ้ยห่อนเว้ยโอ้ยเมื่อยเว้ยโอ้ยหมดไหลเว้ยโอ้ยเกลื่อนเว้ยนี่ของอาการของไก่เลยอาการของไ ก, ก่ก็ยุ่ในลักษณะ น, นี้เล็วก็ห่อนเล็วก็เย่ยวเล็วก็ปวดหัวมะเกลเป่นแล้วขันหน้าะสมาสานกันแล้วมันพนลัง้งอันนี้มันจะเป็นไปยังสัตว์ ชือมันสิตื่นเต้นขึ้นมาในคณะใดคณะหนึ่งในเมื่อมันร่วมตัวกันได้ใครๆก็ต้องเกิดควบสามคีกันนี่ทำอันใดหนึ่งสําเด็จเห็ุผู้ย้อวมาแล้วเอือนูนผัววัดใจนี่เลี้ยงเราโอ้ตื่นเต้นไหลโอ้ผลงานบอกเจ้านอาจารย์ในม่อนสั่งโกรธแล้วโอ้ยอัตมาขึ้นไปมึนบรนไดก็ตะก้าวเดือบือนขึ้นในก่อนหินมานี่ยโอ้ยบรรไดงานบรรยั้งมีนาจักพ้อม เนี่ยกํเดิมแล้วก็ตื่นเต้นแล้วผู้คนผู้ไมเห็นมันตื่นเต้นโอ้ยจะทำะไรดีหลายวัดเท่ากับเป็นวัดน่ยวัดน่ำนึงมันจะไปหน่ำก็ดีบวช ก, งกง็งามบนไดก็งามงามมดสมพานเจ้ า, า, า, า, าวัดก็งามขึ้นกันืิธีทางงามงามยังไผู้ไม่ปฏิบัติก็งามขึ้นกัน เตี้ยผู้เทียดหวง่ามมนีิผู้เทียดไปตอกงามน้มูอให้มืผู้เจริญไม่เนาะขันง่ามมัดไม่เมองตีตัวเอาไว้จะเอาไว้จะจีผู้นึงผู้เทียดได้ไว้จะจีมองง่ามทึ่มันง่ามมดเนี่ยเพราะอี่ยงพอางามนี่ยนี่มันตื่นเต้นเนี่มาเห็นคนโอ้เชยสั่งอไรเนาแล้วคนก็พากันจะเดินอ้นก้อนหินโอ้ปูนคือมาได้เขาคือมาทา้งใดมันบอกนี่ตื่นเต้นนั่นะ สภาวะการปฏิบัติธรรมมันขึ้กันคืออะไรอันใรที่ห้องไเค่ยพอเคยเห็นแล้วมันติดตื่นตื่นเต้นไม่คืออ่านหนังสือเลยสอบได้ขึ้กันนักมารมเคยสอบได้นักธรรมตีธรรมโทษธรรมอีกกระทัมดาดีนะโยบบุตรทก็บ่านร่างกายของฟู้ศินเพราะอ้อย่างเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าบกแตกอ่านหนังสือรู้ก็สอบได้แต่ว่าการปฏิบัติธรรมโมแมนตัน้งมันถึงร่วมพลังกันมันติดเป็นไปเป็นไปที่ห้องปฏิบัติ เป็นไปที่เขาบ่ได้ตั้งใจนี่มันเลยตื่นเต้นสนเนาะฉน angkan ปฏิบัติธรรมมันจะมาผู้ใะขยันเลยขยันนี่มันที่เห็นยี่ยัางบ่อยๆหองกดบแปลกไหมเฮาช่มในการปฏิบัติธรรมบางคนกับหัวคุดหัวขาดไปก็มี่บางคนก็นั่งยุ่ก็เห็นนั่นเห็นนี่ก็มนี่นี่แหละแต่ว่าเหาบ่ามันว่ามันที่ผักของเฮาว่ามันตัวเดียวไม่แก่ถูก แต่เป็นกิริยาอาการของการปฏิบัติธรรมของไก่และกิจประสานกันตั้งหังอันน่าค่ยเป็นปอยู่บ้านนนสวรรค์ปี2126บ้านบ้านนาอ่อดวัดพ้นสวรรค์วัดหลวงปูเ่เทียนเคยเคยอยู่อยู่วัดมังนี่นะที่หลวงปูเ่เทียนไปฟอกกับประพุทธพจน์หลวงพ่อมหาบัวท้องวัดนนสวรรค์นี่ไปฟอกกัญญนิษฐ์วัดวันนาอ่อดไปจํามังสายอยู่หนังกับเน้นสามสี่เน้น พระตรงตรงนี้อยู่ดอกพระเป็นดวงตาองค์หนึง่งแต่ขอจำมันสายอยูน่น้ำฝนวัดตาพุทธญาณก็เหมือนเพ็ดมันพระไหลเนียนหลายรงนีมนม้มองอยู่ก็เลยเปิดขอ